เด็กหญิงแสนฉลาดการละครเหนื่อนานมาแล้วในสถานที่แห่งหนึ่งม้าถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองพี่น้องสองคนอาศัยอยู่ในบ้านของพวกเขาด้วยความมั่งคั่งของตัวพวกเขาเองดิมิทรีเป็นคนร่ำรวยเจเริโกเป็นคนจนมาเล็วเจเรโกไม่งั้นเราไปถึงที่ น, นั่นตอนพระอาทิตย์ตกแน่นอน สองพี่น้องจะขี่ม้าไปงานแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในเมืองขณะที่เขากำลังจะออกเดินทางลูกสาวของเจโรก็เดินมาถึงได้โปรดเถอให้ลูกไปด้วยนะเราต้องเดินทางอีกไายลูกจะเหนื่อยเอานะลูกอยากจะเห็นเมืองมานานได้โปรดให้ลูกไปด้วยเถอะ นี่ให้ตายเถอะนะให้เด็กมาด้วยแล้วก็รีบขึ้นมาเถอะหนูจะเป็นเด็กดีค่ะหนูสัญญางั้นก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาพวกเขาขี่ม้ามาทั้งวันและเมื่อถึงกลางคืนเขาก็เข้าใกล้เมือง เราหาที่พักกันก่อนเธอแล้วพอตอนเช้าเราค่อยขี่ม้าเข้าเมืองกันดูเหมือนจะมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นอิ่งเหรอไปกันเลยนี่มันไม่ใช่กระท่อมนี่มันค อ, อกมา้า มันคือที่ที่ดีสําหรับที่พักคืนนี้ดูนั่สิคะมีน้ําและอาหารมากพอให้ม้าด้วยมันช่างเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับคืนนี้โอ้ออ้โอดีแล้วเรามากินข้าวแล้วก็เข้านอนกันเถอะแล้วพวกเขาทั้งสามก็ใช้คอกม้าเป็นบ้านในคืนนั้นเช้าวัวนรุ่งขึ้นพวกเขาตื่นเช้าและเตรียมตัวเดินทางต่อ มาเร็วนอร่าเราต้องไปกันแล้วมาแล้วค่ะพอลกแล้วนั่นอะไรนะนูนันสินี่ม้าของเราออกลูกเมื่อคืนงั้นเหรอแต่ว่าทำไมลูกมา้าถึงมาหาพ่อม้าล่ะทำไมถึงไม่ไปหาแม่ม้าล่ะแต่ว่าอาคะม้าตัวพูดจะออกลูกได้ยังไง านายเอ๊น้องชายแล้วมันก็ดูเหมือนแม่มมาของเราถูกแล้วละ่ะเอาอาหารและน้ำให้กับมันแล้วเอาลูกมมาขื้นมาให้ฉันแต่ว่าน้องชายมมาไม่ได้ออกมาหลายสีเจรโกบางทีมมาตัวนี้อาจจะหลงอยู่ในป่าแล้วมาหามมาของฉันยังไงก็ตามถ้ามมานายเป็นแม่ของมันมันคงวิ่งเข้าไปหาก่อนแล้ว เมื่อลูกมา้าวิ่งมาหาม้าตัวผู้ของฉันมันต้องเป็นของฉันเห็นไหมละน้องชายเห็นอะไรขณะที่สองพี่น้องกำลังทะเลาะกันว่าใครสมควรได้ลูกมา้าในที่สุดโนราก็ามีทางออกพ่อคะลุงคะทำไมเราไม่เข้าเมืองละ่ะ พระราชาที่ฉลาดอยู่ที่นั่นไปหาเขากันแล้วก็ให้เขาเป็นคนตัดสินเธอพูดถูกนะน้องชายใ ช, ใช่ลูกสาวของนายฉลาดกว่า น, นายไปกันเถอะรีบไปได้แล้วพวกเขาไปถึงประตูเมืองขณะที่พี่น้องกําลังคุยกับทหารนอร่าอ่านประกาศที่ติดอยู่มีรูปของโจรติดอยู่ที่ต้นไม้ประกาศใครก็ตาม ที่บอกพระราชาเกี่ยวกับชายคนนี้ว่าอยู่ที่ไหนรับเกณฑรางวาลัลหนึ่งรดูแคนพี่น้องสองคนเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาฟังถ้างั้นนายคิดว่ายังไงมันยากบากฝ่าบาทธามาตัวเมียเป็นแม่ของลูกมา้าลูกม้า ก, ก็ต้องไปกินนมจากแม่ของมันแต่ลูกม้า ก, ก็ไม่ได้เป็นของน้องชายที่รวยเหมือนกัน พวกเขาเถียงกันเพราะว่าความโลภไม่อย่างนั้นเขามีม้ามากมายทําไมเขาไม่ให้หลูกม้ากับพี่ชายที่จนไปละ่ะงั้นก็มาดูกันว่าสองพี่น้องที่รวยและจนเพราะว่าความโชคดีหรือว่าเพราะว่าความฉลาดหรือไม่มีความฉลาดอยู่เลยท่านจะทําอย่างไงฝ่าบาทเมื่อละเหตุผล ความฉลาดจะเป็นตัวช่วยเหลือมาดูกันว่าพี่น้องใครจะฉลาดกว่ากันเมื่อลูกมา้าไม่ได้เป็นของใครเลยฉันจะถามคำถามใครก็ตามที่ตอบคำถามที่ถูกใจฉันก็จะได้ลูกม้าไปแล้วพระราชาก็าถามคำถามกับสองพี่น้องอะไรที่เร็วที่สุดในโลกและอะไรที่นุ่มที่สุดในโลก และอะไรมีค่าที่สุดในโลกทุกคนตกใจกับคำทำแปลกๆของพระราชาพวกเขารอฟังคำตอบอย่างใจจดใจจ่อจากสองพี่น้องดิมิทรีคิดว่าถ้าเขาตอบเอาใจพระราชาพระราชาก็จะชอบคำตอบของเขามันง่ายมากเลยฟาบาทอะไรจะเร็วไปกว่าม้าละท่าน แล้วอะไรจะนุ่มไปกว่าเตียงของท่านแล้วอะไรจะมีค่ามากไปกว่าลูกชายของท่านคำตอบของนายคืออะไรเจริโกเจริโกเป็นคนง่ายๆและซื่อสัตย์เขาไม่รู้ว่าจะตอบเอาใจคนยังไงเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรฟ้าบาทพี่ชายของเขาไม่มีคำตอบ แต่ไม่มีคําตอบดีกว่าการตอบแบบไม่จริงใจและไม่ซื่อสัตย์รออีกสักครู่นึงโนราคิดหนักเธออยากตอบคําถามแบบซื่อสัตย์และทัในใดนั้นเธอก็คิดออกขอโทษนะคะฝ่าบาทที่ฉันขอตอบแทนพ่อของฉันได้ไหมแน่นอนทําไมจะไม่ได้ละ่ะฉันจะต้องซื่อสัตย์ค่ะท่านดังนั้น ฉันไม่รู้ว่าคำตอบนี้จะถูกหรือไม่แต่จากที่ฉันเห็นจากเลกใบนี้ในโลกนี้ลมเร็วที่สุดมันเร็วมากจนสามารถทำพายุขึ้นมาให้ทำลายทุกอย่างได้เลยละ่ะสิ่งที่นุ่มที่สุดก็คือจูบของเด็กนั่นเองเหมือนลูกม้าตัวนี้ที่เลียนหน้าของฉันและสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือ เออความซื่อสัตย์นะท้าไม่อย่างนั้นท่านคงจะไม่ให้รางวัลหนึ่งดูแคนสำหรับข้อมูลของจอหนเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกสาวของนายฉลาดมากเจริงๆกซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจฉันชอบคําตอบของเธอฉันจะไม่ให้เพียงแค่ลูกม้ากับเธอแต่ฉันจะให้ม้าร้อยตัวและหนึ่งพดูแคนเป็นรางวัลและนายดิมิทรี นายน่าจะใจกว่าแต่ว่านายเลือกที่จะใจร้ายความใจร้ายทำให้นายมาไกลได้เท่านี้รางวัลมีให้กับความจริงใจให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนของนายเออผมเข้าใจฝ่าบาทขอบคุณฝ่าบาทท่านใจดีมากมาแล้วเรื่องก็เป็นแบบนี้เราสามารถเล่นกลงกลงกับคนอื่นได้แต่เขาจะไม่พาเราไปไกลเขาจะมองออก แต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขจริงและเติมเต็มชีวิตเราจะต้องซื่อสัตย์จริงใจและฉลาด